เป็นไงพวกเราคุ้มค่าไหมนี่ก็ขึ้นลงขึ้นลงกี่รอบลนะใครจำได้บ้างเราขึ้นลงขึ้นลงกี่ครั้งกี่รอบโดนยองกรมกี่ครั้งถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับควายหรือวัวที่ก็จับเข้าแอกเดี๋ยวก็ปลดแอกเดี๋ยวข้าแอกเดี๋ยวก็ปลดแองเดี๋ยวข้าแอกแต่อนะันนั้นมันเป็นควายเป็นวัว แต่อันนี้เราเราจับกิเลสมาใส่แอกเราเรีกว่าฝึกมันฝึกมันให้มันใช้ประโยชน์ได้จับจิตของเรามาเข้าแอกมาใส่แอกมาฝึกมาหัดเดี๋ยวก็ปลดเข้าเดี๋ยวก็ใช้งานเดี๋ยวก็ปลดเข้าเดี๋ยวก็ใช้งานอันนั้นเป็นตัวอย่างที่เรายกมาให้เห็น มันเป็นอะไรนะถ้าเป็นแบบนั้นเป็นภาวะที่น่าเบื่อมากมากแต่อันนี้มันไม่ใช่ภาวะแบบนั้นมันเป็นภาวะที่ชวนให้มีคุณค่าให้มีคุณสมบัติคนเรามันยากไอ้ตรงที่สวยหาคุณสมบัติให้กับตัวเราเองนี่แหละมันยากมากบางทีก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นคู่มือ ที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเสริมให้พอจะมองเห็นว่าเป็นเป็นเครื่องมือช่วยเสริมคุณสมบัติมันไม่ค่อยจะมะีจะให้กิเลมันปล่อยให้เรามันไม่ปล่อยถอ้าไม่อาศัยจากปราชจากบัณฑิตจากผู้รู้จากหลักคำสอนของพระศ า, ศ า, ศาสนานะมันไม่มี เพราะฉะนั้นเราอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องจำเจและก็เป็นเรื่องชินชาขอให้มันชินชากับความดีจำเจกับความดีชินแล้วชินอีกชินแล้วชินชินอีกชินแล้วชินอีกชินแล้วชินอีกชิมแล้วชิมอีกชิมแล้วชิมอีกชิมรสชาติของทมเอาอย่างเหลือยังมีปัญหาอ่าเอามีอยู่อครับโอปัญหาคือเยอะแท้ การคำถามแรกครับมีอาการกลัวอย่างหนึ่งกลัวมากๆแต่เด็กอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ารอบตัวไม่มีสาระไม่มีแข่งสารไม่เข้าใจว่าร่างกายคืออะไรพ่อแม่สิ่งของคืออะไรมันเงียบเวิร์วานสัมสองถึงสานาทีเปิดทีวีก็หายตอนโตแล้วนานๆจะเป็นที แต่พอเป็นก็ยังจำได้ว่าพุธโธยังจำพุโทโธได้พยายามที่เป็นธรรมะถ้าเป็นอีกควรจะทําอย่างไรเป็นโรคประสาท ห, หรือสัญญาเก่านะครับและสิ่งเห <c oughs> ล่านะั้นมันตามมาทุกขณะจิตหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนมันตามมาทุกขณะจิตหรือเปล่าหรือเราไปจับเอาช่วงใดช่วงหนึ่งที่มันมีมันเปลี่ยนไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เราไป เราไปให้ความหมายถูกต้องหรือเปล่าอะไรกลัวกลัวอะไรมันมีเหตุผลไหมทุกอย่างมันมาจากเหตุเราเราไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้ไม่รู้จักวิธีการถ้าเราเระลึกได้รู้สึกตัวได้เราก็ถามไปที่กลัวอะไรแล้วถามว่า อ, อะไรกลัวแล้วกลัว อ, อะไร ถามแค่นี้มันก็พอจะตื่นตัวแล้วก็พอจะตื่นตัวพอจะรู้ตัวเราจะคิดว่าเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของการหลงลืมสัญญาเหรอมันเป็นเรื่องของการหลงลืมสัญญาเลยมนุษย์มีสัญญาแต่สัญญามันเสื่อมไปมันจําใหม่แล้วก็มันเสื่อมไปจําใหม่แล้วก็เสือเส่อมไปมันไม่ใช่เสื่อมไปหายจนหมดสิน้น แม้แต่สิ่งที่ไม่เคยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็คาดๆเ ด, ด, ดาๆแล้วมันก็ยังจำเอาคาดคาดดาๆแล้วก็มันก็ยังจำเอาสิ่งที่มันไม่ชัดเจนมันชวนให้เจ้าตัวนั่นแหละพิสูจน์ให้มันชัดเจนไม่งั้นมันคืออะไรเราจะไม่ให้ใครพยากรในโมเหตุปัจจัยมันอยู่กับเราเนี่ยถ้าอยู่กับใครก็ ให้พิสูจน์ทดสอบเพื่อมชัดเจนให้กับตัวเองกั น, ลก น, นแล้วกันอ้าวแค่นี้แหละของมันไม่ได้ตอบโต้กันของกา ร, รการเรียนถามท่านพระอาจารย์ขอพมจาทุาต้ตงาองตวนธรรมะข้อสัมมาสังกัปปะโดยด้ออีกครั้งด้วยครับสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิเห็นชอบทิฏฐิแปลว่าความเห็นสัมมาแปลว่าชอบเห็นชอบคือเห็นอริยสัจทั้งสี่ทุกสมุทัยดีโรดมัตสัมมาสังกัปปะดำบริชอบทั้งสองอย่างนี้คิดอยู่ภายในใจไม่ได้คิดออกนอกไม่ได้แสดงออกมาที่วาจาไม่ได้แสดงออกมาที่กายคิดเฉพาะในใจ ยังไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรส ม, มากรมมันตั อ, อส ม, มา ส, ส, ม, ม, าส ม, มาสังกปะสมาธิิสมาสังกปะดํมเบดํมเบดํมเบก็คือนึกคิดนั่นแหละเราดูความนึกคิดกับความเห็นมันใกล้เคียงกันไหมความนึกคิดกับความเห็นความเห็นมันเป็นเรื่องของเข้าไปรู้ไปเห็นและวิจัยวิจารณเตรียมที่แล้ว ตกลงปลงใจว่าคืออันนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ออนี่เป็นทุกข์ออนี่เป็นสมุทัยอ๋อนี่เป็นนิโรธอ๋อนี่เป็นมรรคทิฏฐิคือความเห็นสัมมาสังกัปปะดําริชอบดํำริในการไม่เบียดเบียนดําริในการออกจากกามดําริในการไม่พยาบาทนึกคิดอยู่ในใจดํำริในการไม่เบียดไม่เบียดเบียน นึกคิดนึกคิดจะทำอะไรเอ๊ะเบียดเบีย น, ยนเราหรือเปล่าเบียดเบียนเขาหรือเปล่าคาว่าเบียดเบียนก็คือทาให้เขาเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนด้วยเขาอาจจะดีใจเขาอาจจะเสียใจเขาอาจจะเกิดความเสียหายเนี่ยคิดใครครวนไตรตรองแต่ยังไม่ได้แสดงออกมาข้างนอกนะคิดอยู่ข้างใน อมสมาสังกัปปะดำริชอบดำริในการไม่เบียดเบียนในความเบียดเบียนพวกเราก็น่าจะคิดออกแหละยันอย่า ง, งข่าสัตว์รักทรัพย์นี่ก็ถือว่าเบียดเบียนแล้วเมื่อคืนเราก็อธิบายลักษณะนี้แง่เนี่ยข่าสัตว์ก็ถือว่าเบียดเบียนรักทรัพย์ก็ถือว่าเบียดเบียนให้ความเดือดร้อนกับให้กับคนอื่นผิดลูกผิดเมียเขาก็ถือว่าเบียดเบียนอืม ไปเกี่ยวข้องกับผัวเขาก็ถือว่าเบียดเบียนเมียเขาไปเกี่ยวข้องกับเมียเขาก็ถือว่าเบียดเบียนผัวเขานี่เบียดเบียนแล้วนื้ะนลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเบียดเบียนแล้วเบียดเบียนคนที่เขารักเขารึ่งเขาหวงหวงลูกหวงผัวหวงเมียหวงอะไรต่ออะไรของเขาก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนแล้วคิดเห็นแล้วก็ปล่องแล้วก็ปล่อยเห็นว่าเป็นเรื่องเบียดเบียนสมาสังกปะ ดำเินในการไม่เบียดเบียนดํเนิในการไม่ทรมานสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ไม่จับสัตว์มาขังไม่จับสัตว์มาชนนกชนปลาเงี้ยแข่งมา้าท่านถือว่าเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์บางทีไม่ใช่ทรมานแหละฆ่าเลยแหละเหมือนหมอเขาลองหนูอย่างเงี้ย มีคนมาเล่าให้เราฟังเยอะไปเข้าไปเข้าแขนงวิชาอะไรไม่รู้นะเขาจะต้องเอาสัตว์มาทดสอบพวกอาจารย์สอนนี่แหละเอาสัตว์มาทดสอบให้ลูกน้องให้ลูกศิษย์เนี่ยทดสอบทดสอบโอ้ยหมดเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวสอนให้เขาพิสูจน์หานั้นพิสูจน์หานี่ทดลองอ น, นุมาทดลองเนี่แหละเบียดเบียนเบียดเบียนสัตว์ ชนไก่เราดูสิชนไก่ก็ชนไก่ในสนุกสนุกเน้ยโอ้แต่ตัวมันเองมันจะตายอ่ะนะชนไก่ไก่ชนนะ่ะมันชนกันนะ่ะมันนิสัยอะไรเพราะมันกัรู้ธรรมชาติไกนะ่เวลาเขาปล่อยให้ชนชนด่าะ พ, ะพื้นนะใจสู้ใจสู้มากไก่ไอ้พวกชนไก่มันมีวิบากกรรมนะ สมัยให้ไก่ชนเนี่ยมันมันไม่สะใจมันไม่สมใจพอเกิดมาเป็นมนุษย์มันเอาเองเลยเห็นไหมพวกเขาขึ้นชกกันเห็นไหมไม่คำนึงถึงความตายเลยเจ็บไหมเจ็บดีไม่ดีสลบและ่ะสิ่งแล้วนี้คิดคาดการโล่งหน้าไหมว่าเราจะต้องเสียแต้มเขา แต่ทุกคนคิดว่าจะได้เอาจะได้เปรียบจะได้จะเอาเปรียบจะเอาเปรียบแต่มันทำทำไมพวนี้ทำมันไม่มีวิบากกรรมมันจะไม่ทำมันมีวิบากกรรมมันเคยชนไก่มันไม่สะใจมันมันตอนนี้มันเอาเองเลยอกรรมมันย้อนมาเล่นงานมันะทุกเตะทุกทิพถูกเขาทุกศอกสลบทู่ บางทีเห็นสลบฟุบเงียบหายไปเลยเราตายรึเปล่า <c oughs> ใครเคยดูมันเป็นอย่างงั้นนะนี่คือเบียดเบียนเบียดเบียนก็คือทําให้ตัวเองเดือดร้อนเบียดเบียนตัวเองทาให้คนอื่นเดือดร้อนจัตว์อื่นเดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นควาว่าเดือดร้อนนี่สาวไปหาสาเหตุมันเต็มไปหมดแต่เราใช้คําย่อยๆมานี่ยทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อน เรีว่าเบียดเบียนสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกปะดําริในทางไม่เบียดเบียนนี่คือความหมายของสัมมาสังกปะนะดําริชอบสัมมามีสัมมาสัมมาสังกปะดําริชอบดําริในการไม่เบียดเบียนจะทํำงานโอ้เบียดเบียนโอ้จะทำนี้โอ้เบียดเบียนจะทำนี้กันเออเบียดเบียน เขาจะรู้รู้รู้จักก็ตามไม่รู้จักก็ตามรู้สึกก็ตามไม่รู้สึกก็ตามถ้าทําไปแล้วเป็นเหตุกระต๊อบกระเทือนเขาเป็นนีุ้อะเขาเนี่เดือดร้อนเพราะเราเจ็บเพราะเราตายเพราะเราเนี่ยถือว่าเบียดเบียนแล้วเบียดเบียนดัมริในการไม่เบียดเบียนสัมมาสังกัปปะดัมริในการออกจากกามดําริเพื่อที่จะออกจากกามคำว่ากามก็คือการที่เรา เป็นอยู่ในโลกมีครอบครัวผัวเมียอยู่บ ร, ริโภคกามท่านเรียกว่าดําริออกจากกามคือดําริในการที่จะไม่บริโภคกับสิ่งเหล่านี้กามแต่กามในที่ น, นี้หมายถึงกามระหว่างเพศผู้ชายกับผู้หญิงนั่นแหละแต่ละท่านพูดถึงวัตถุ ก, กรมทั้งหลายทั้งปวงก็หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสรวมมาถึงปัจจัยทั้งสี่มันก็เป็นกามร่างกายของเราเป็นวัตถุเป็นวัตถุกามมันก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นวัตถุเพราะมันเป็นเครื่องมาช่วยพยุงมาช่วยพระคับประคองดูแลให้ธาตุขันเหล่านี้เป็นอยู่ได้ไม่งั้นธาตุขันเหล่านี้มันก็อยู่ไม่ได้ดําปริออกจากกามหมายความว่าดําริในการที่จะไม่ไม่ทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยกำเริบ กำเริบในกามดำริที่จะออกจากกามดำริที่จะออกจากบ้านดำริที่จะไปบวถ์ดำริที่จะไปอยู่ป่านี่นี่เขาเรียกว่าดำริออกจากกามดำริออกจากกามแต่การออกจากกามคือการออกยังไงการออกจากกามก็คือเอาใจออกจากกามการดำริเฉยๆถ้าเรา ยังไม่เอาใจออกจากกามยังนึกคิดวุ่นใอเรื่องกามก็ยังไม่ถือว่าเอาใจออกจากกามการเอาใจออกจากกามได้ท่านเรียกว่าสำมรอกกามออกจากใจทำให้ใจของบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เกาะเกี่ยวด้วยกามเกี่ยวข้องกับกามมันจะไม่เกี่ยวข้องในไงกับกามในเมื่อร่างกายมันเป็นก้อนกามกามในที่นี้หมายถึง ความกำหนัดในรูปนั่นแหละเพราะสิ่งเหล่านี้มันชวนให้เรา เ, ลเคลืบอเคลื่อลงไหลติดพันอยู่เป็นครอบเป็นครัวผัวมีอามีลูกมีเต้ามีอะไรที่เรียกว่ากามพาสุขาลิกานยโยบถ้าเราทำแบบนั้นหมายความว่าประกอบตนพัวพันในกามนำ้ำที่ออกจากกามเนี่มันก็ตรงตรงตรงแล้วนี่วิธีปฏิบัติเพื่อที่จะออกจากกามก็คือ ไม่เอาใจนึกนึกไม่กามฉันทะไม่พยาบาทไม่กามฉันทะยินดีพอใจเกี่ยวกับเรื่องกามเกี่ยวกับเรื่องวัตถุกามเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงจนจิตไม่นึกไม่คิดไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเอาใจออกจากกามเอาใจออกจากกามได้คือเอาใจมาเผานายสงบนี่แหละใจสงบคือใจออกจากกาม เวลาใจมันอยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่คือใจมันทิ้งอารมณ์ของกามมันอยู่กับอารมณ์ของธร ร, รมนี่เราพูดเลยไปถึงว่าใจออกจากกามแต่ในความหมายของสัมมาสังกัปปะก่อนที่จะไปถึงอารมณ์ภาวนาให้ใจออกจากกามได้มันก็ไปจากการดรําริคืออยากสงบเราพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆคืออยากภาวนาให้ใจสงบ จากอารมณ์ของกามนี่คือดำริชอบสัมมาดำริในการไม่เปลีป่ยนนดำริออกจากกามดำริในความไม่พยาบาทพยาบาทก็คือมีคนมาทำให้เราขัดข้อหมองใจอจองเวรอาฆาตพยาบาทถ้าถึงกับอาฆาต พยาบาทแล้วก็แสดงว่าหมายเอาชีวิตกันแหละพยาบาทพยาบาทก็คือคิดเครียดโกรธไม่หยุดพยาบาทรวมไปถึงการปองร้ายอาฆาตพยาบาทปองร้ายถึงขั้นจะเอาให้เจบถึงขั้นจะเอาให้ใหตายอาฆาตพยาบาทเพราะสิ่งเหล่านะั้นมันเป็นการเบียดเบียนเพื่ออาฆาตเพื่อพยาบาทมันก็เป็นการเบียดเบียนอืม ดรํริที่จะทรมานาสัตว์ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนรวมลงแล้วมันก็พันกันอยู่ในนั้นทั้งหมดออกจากกา ม, มก็ถือว่าไม่เบียดเบียนตัวเองด้วย<ม>รวมลแล้วคือความนึกความคิดในใจของเรามันเป็นความละเอียดของใจที่ดํริกล่ที่จะออกเอาแค่ okay, นี้แหละ โอยนะจิตหลับตายและจิตใจทุกต่งตางๆเป็นยังไงอ๋อยังไม่เคยตายนะยังไม่เคยตายฟื้นสักทีอ่ ะ, อะใครเคยตายฟื้นเล่าให้ฟังที่นะก่อนจะตายเป็นยังไงตายไปแล้วไปไหนบ้างแล้วกลับมาอีกเป็นยังไงอจิตก่อนตายก็จิตอยู่ไม่ได้นั่นแหละก่อนตาย ตามหลักท่านบอกว่ามีอาสันนกรรมอาสันนกรรมคือกรรมจวนเจียนเกิดกรรมนิมิตเกิดคตินิมิตกรรมนิมิตก็คือเห็นกิริยาอาการใดๆก็ตามที่เราเคยเกี่ยวข้องผูกพันที่เป็นอาจินนักรรมหรือเป็นกรรมที่รุนแรงมันปรากฏอย่างนั้นปรากฏอย่างนี้เป็นกรรมมณิมิตเป็นกรรมมณิมิตพอปรากฏปั๊บจิตของเราไปเกาะนิมิตนั้น ไปเก่อนิมิตนั้นจิตเราออกจากนั้นไปตอนนั้นอมันเห็นนิมิตที่ดีก็ไปเกิดในที่ในทางที่ดีไปเห็นนิมิตที่ไม่ดีมันต้องไปเกาะในสิ่งที่ไม่ดีไอ้สิ่งที่จะมาปรากฏเป็นนิมิตก็คือกรรมนั่นแหละกรรมนั่นแหละใครทํากรรมชั่วมาก <gt> ๆ, ๆพอเวลาใกล้จะตายเนี่ยความชั่วมันจะมาปรากฏเคยฆ่าเขาเคยลักของเขาเคยเบียดเบียนเขาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นกรรมเหล่า น, นั้นมันมาปรากฏ พอไปเกาะปับพอไปพอไปเกาะปับไปแล้วไปเกิดในพ่อผูภูมินั้นนั่นบางทีเห็นเป็นสัตว์เป็นไะลรไปเกาะเป็นสัตว์เลยแหละถ้าเห็นเป็นดอกไม้เป็นรูปเป็นทิวทัศน์อะไรสวยงามเป็นเรื่องของสวรรค์ยัง้งตายก็ไปบนสวรรค์เป็นรูปปนิมิตรเป็นอาสนกรรมกรรมเหล่านี้เป็นกรรมจนเกียนใกล้จะตายมันจะมาปรากฏ กบอกันนะพวกเราปุถุชนกับพระอริยเจ้าเนี่ยเวลาจิตจะออกจากร่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันเท่าที่เราเคยเคยเคยเคยเํามานะพวกเราบางทีใจมันไปก่อนแล้วแหล ะ, ะใจมันไปก่อนแล้วร่างกายถึงมาตายตามไปทีหลังแต่สำหรับพระอริยเจ้าเนี่ยร่างกาย มันไปแล้วท่านถึงถึงค่อยออกไปทีหลังอืมันไม่เหมือนกันเพราะอะไรพวกเราบางทีมันกรรมหนักหนาสาหัสอะไรเนะี่ยพยาไอยมเขามาดึงไปก่อนแล้วอืมบางคนเห็นลางสังหรณ์ก่อนมันรู้ตั้งกี่วันหลพะพี่ไอยมมันเอาไปแล้วอืแต่ว่าเจ้าของเพิ่งมาตายไปตามทีหลังเนี่ย เป็นอย่างนอนซบมอยู่เนี่ยยังหายใจเขมเหลวเขมเหลวเขมวเขมวไม่รู้สึกตัวเยบางทีไปแล้วไปแล้วแต่ลมหายใจยังกอดฟอดอยู่ยังยังไม่ยังไม่ขาดใจแต่พระอริยเจ้านี่ดับสนิทหมดท่านถึงออกไปเราก็จําได้ที่น้องตาทรายฟังที่ว่าท่านอาเจียนอะไรจนสลบท่จนสลบจนถือว่าร่างกายเนี่ยตายแล้ว เห็นยังดูอยู่ยังดำริอยู่อเห็นอยู่แต่ร่างกายร่างกายถือว่ามันเกือบหมดสภาพไปแล้วแต่จิตยังยังดูอยู่ยังดำริอยู่อจะไปตอนนี้หนระือจะไปตอนนี้นะเลยเกิดแรงกระตุ้นเกิดแรงกระตุ้นฟื้นขึ้นมาพอาะดำริอย่างนี้เกิดแรงกระตุนฟืนนนนฟ้นขึ้นมาที่ฉันเล่าให้ฟังที่น้องผื้อ น, นั่นไง ที่าท่านตาท่านไอเกียนอะไรท่านถ่ายทั้งถ่ายทั้งไอเจียนอะไรทั้งเป็นสิบสิบครั้งนั่นนั่นคือจิตของผู้ที่ท่านชําระได้ที่ท่านบริสุทธิ์เพราะมันไม่มีกรรมตัวใดที่จะไปล่าบไปลากไปเป็นผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์ะแต่ถ้าหากเราอยู่ภายใต้อํานาจของกรรมกรรมจะมาดึงไปแล้วบางทีก็กรรมดีหนักไปในทางกรรมดีกรรมดีก็มาดึงไปแล้ว กับหนักไปในทางกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก็มาดึงมาดึงเข้าไปแล้วดึงเข้าไปแล้วก็เป็นเป็นพบเป็นภูมิแล้วแหละออกจากนี้ไปแล้วไปอยู่ในสถานะใดก็นั่นแหละคือพบหนึ่งภูมิหนึ่ ง, งที่เราจะไปอยู่บางทีก็ไปเป็นสัตว์นี่มัรู้สึกตัวดอกจนกว่าจะโตขึ้นมาโตขึ้นมาเป็นสัตว์แล้วก็จะมารู้รสึกตัวว่าเจ้าของเป็นสัตว์หรือเปล่าก็ไม่รู้ mm hmm. มีสัจธรรมรู้สัจธวรมเป็นสัญชาติญาณเท่านั้นแหละ เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเนี่ยรู้อยู่ว่าเขาเป็นเปรตรู้อยู่ว่าเป็นสัตว์นรกทุกทรมานอยู่นั่นแหละรู้อยู่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มีความรู้สักตวัู้เหมือนมีแต่สัญชาตญาณไม่มีสติปัญญาอะไรที่จะช่วยตัวเองเท่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ น, นี่แหละภาวะค่อยเจริญค่อยเกิดความรู้สึกขึ้นมานั่นเด็กทารกมันจะไม่รู้อะไรแค่รับทราบเหมือนกับมีแต่สัญชาตญาณเท่านั้นเอง เพราะอวัยวะอะไรทุกอย่างทุกส่วนมันยังไม่มีความแข็งแรงพอที่จะมารับตอกกันพอเริ่มรู้เรียนสาภาวะมาอายุสองขวบสาขวบจน1ิบขวบจ น, จนวัยเป็นจะเพทนะ่ยสติปัญญาของเร า, ลากล้าแข็งพอถึงจะเริ่มมีความนึกความคิดเป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงนี่คือคือความชัดเจนในการที่เราจะได้มา อ, อบัติเป็นมนุษย์ก็ตามบางทีก็เปนเป็นเทวดา แต่พว ก, พวกสัตว์นอวบายสัตว์นอวบายยกเว้นสัตว์ดิเรชานนะสัตว์ในอวบายไปผุดไปผุดขึ้นไปเกิดไปผุดไปเกิดเลยสัตว์บนสวรรค์ก็ไปผุดไปเกิดเลยท่านเรียกว่าโอปะปาติกะกําเนิดกําเนิดผุดขึ้นไม่ต้องไปอยู่ในคันพวกเทวดาทั้งหลายเขาไม่ต้องไปอยู่ในคันที่มาเกิดมาบัติเป็นมนุษย์นะจะต้องมาอยู่ในคัน จะต้องมาอยู่ในคันจะต้องเข้ามาสู่ปฏิสนธิไปเจริญหนุนอยู่ในท้องแม่กว่าจะสมบูรณ์กว่าจะออกมาฟักตัวอยู่ในนั้นกว่าจะออกมาสัตว์นรกปเปรตอสุรกายเนี่อันนี้ก็ไปโตขึ้นเลยไม่ต้องไปเข้าท้องใครผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของพวกนี้ก็คือกรรมกรรมเป็นพ่อเป็นแม่โยเวนสัตว์เดริชานสัตว์ริชานมันก็มีพ่อมีแม่ประเภทออกลูกเป็นไข่ ออกรูปเป็นตัวนี่นี่พวกสัตว์เดรัจฉานนี่ก็พวกกำเนิดพว ก, พว ก, พ, วกพวกภูมิพวกอะไรตอะไรเ น, นี่ยวิญญาณที่จะเข้าไปสิงกับร่างเหล่านี้มันก็จะแตกต่างกันออกไปไอ้พวกสัตว์จากตัวเล็กตัวใหญ่มันก็มีความรู้มีความฉลาดอะไรไม่เท่ากันแล้วก็พวกนี้ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นมนุษย์มันก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี้ไม่มี ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมา อ, อุบัติเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้คือได้ร่างอัตภาพเป็นมนุษย์มันได้มันไม่ได้มันก็ได้สัตว์เดรัจฉานคนจะได้ยังไงก็มันก็ได้ตามคุณภาพของจิตที่มีความละเอียดละ่ะยิ่งยาวไปเท่าไหร่มันก็มันก็ไปได้อย่างนั้นแหละละเอียดขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งถึงขั้นได้เป็นมนุษย์แม้แต่มนุษย์นี่ก็มีคุณสมบัติไม่เท่ากันมนุษย์ศักดว์สมนุษย์เราก็ดูสิ เกิดมาก็ทรมานพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดมาจนเพราะมันไม่สมบูรณ์สักตาบ้าเป็นบางคนก็งลงะงะเสียสติบ้าใบาวิกลวิการไปบางคนก็เป็นมนุษย์เพื้นมีสติมีสัมพั ญ, ญธยะธรรมดาบางคนก็มีความฉลาดบางคนก็เป็นระดับอัจฉริยะมนุษย์นี่ยนคุณสมบัติมันแตกต่างกัน ขึ life, Usually, right. ้นชื่อบราหัวใจตั้งแต่สองหวงเป็นต้นไปจะไม่มีอะไรเท่ากันภาวะความสุขความทุกข์รู้จักเหมือนกันความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่มันไม่เท่ากันความสุขความทุกข์มีเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันความเปลี่ยนแปลงมีเหมือนกันความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันนิสัยสันดานก็ไม่เหมือนกันิวพัน์วันะ ลักษณะอาการคล้ายกันเด็กจะให้เหมือนกันเปี้ยเหมือนกับพิมพ์เดียวกันไม่ไม่ไม่เหมือนกันคือทุกอย่างมันเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยตัวใครตัวมันหล่อสําเร็จมาเป็นเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตัวว่างั้นเถอะไม่ใช่แบบพิมพ์เดียวกันเหมือนข้าพิมพ์ตัวสืนะเพราะะเพรกอกไก่จ้าจานดาวเด็ก มันก็เหมือนกันหมด ม, มีเครื่องตีอย่างนี้อันนี้กรรมมันบันดาลกรรมมันแต่งสําเร็จได้ด้วยอํานาจของกรรมกรรมเป็นผู้จัดสรรกรรมเป็นผู้แต่งว่ายาวไปแล้วมั้งครัของการทําานาไปนะครับการภาวนาทําสมาธิจะช่วยเราในวันที่ความตายมาถึงนั้นเป็นอย่างไรครับ จะได้นำไปบอกพร้มในญาติผู้ใหญ่ให้มางปฏิบัติครับอ๋อนี่แหละถ้าใครได้ตั้งใจปฏิบัติจนจิตเราเป็นสมาธิแล้วเวลาถึงคราวขับขันนี่มันจะไม่ช่วยตัวเองมันจะไม่ไปไหนมันจะปู๊มาอยู่เนี่มันจะโร่อยู่เนี่ยฮามันไม่ใช่มืดตึ๊บนะมันโร่มันสว่างอย่เห็นีหย พอเวลาใกล้จะตายขึ้นมามันถึงคราวคับขันมันถึงคราวจวนเจียนแล้วมันเป็นตัวของตัวมันเป็นตัวของตัวนี่แหละสําคัญที่สุดเพราะเพราะมันมีบุญก็ย่อมไปสู่ที่ดีคือจิตดวงนั้นไม่มีความหวาดกลัวไม่มีวิตกไม่มีกงังวลไม่มีอะไรทั้งนั้นไปด้วยความองอาจกล้าหาญแต่ถ้าเป็นจิตที่มีบุญเต็มที่เหมือนอย่างที่ฉันพูดไว้ในหลักในในพระไตรปิฎกะที่ฉันว่า ที่จะาอะไรนะอะไรทำให้เก่บาบัติศกหรืออะไรนะทีนี้มรรคพระไปสวดนีมรรคพระไปสวดนะพระท่างก็สวดไปทีเทวดาทั้งหลายต่างอยากอยากมาแย่งไปเนะทวดาชั้นนั้นก็อยากเอาไปอยู่ด้วยเทวดาชั้นนั้นก็อยากเอาไปอยู่ด้วยเพราะคนดีมีคุณสมบัติเหมือนกับพวกเราแย่งคนดีกันนั่นแหละอืมทีนี้ อเลยเป็นเหตุวุ่นวายเหลือเกิน่กําลังจะนั่งฟังพระสวดให้สบายๆเทวดานมายื้อแย่งกันเพื่อที่จะให้ไปหยู่ไปอยู่ด้วยเนี่ยเลยบอกหยุดก่อนหยุดก่อนออกปากหยุดก่อ น, อออนพระทั้งหลายคิดว่าอุบาสกให้หยุดสวดเนี่ยเขเลยพากันหยุดสวดแล้วกลับไปที่วัดพุทธเจ้าเลยอ้าวพวกเธอกลับมาทําไมว่าอุบาสกให้พอให้หยุดอุบาสกไม่ได้บอกให้พวกเธอหยุด อุบาสกไม่ได้ไม่ได้บอกให้พวกเธอหยุดอุบาสกก็พูดกับเทวดาชั้นโน้นชั้นโน้นอ่ะเทวดามองเห็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นอ่าพวกลูกมันมองไม่เห็นถ้าลูกอยากรู้จักจะเอาพวงมาลัยมาเดี๋ยวพ่อจะเสียงทายว่าพ่อควรจะไปอยู่ชั้นไหนโยนพวงมาลัยไปพวงมาลัยก็ไปเกาะชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นไหนที่จะไปอยู่ได้มันก็ไปเกาะงอนรถเขานั่นน่ะนี่จิตมันละเอียดเป็นอย่างั้น มีคนมาคอยต้อนมาคอยรับเราก็ดูที่ตัวอย่างที่เรามีให้ดูในโลกมนุษย์เราอืมคนดีไปไหนก็ห้อมล้อมมารุมมาตุมแต่อันนี้บางทีของของจริงก็มีบางทีของปลอมก็มีบางทีคนคนเลวถูกรุมถูกตุมก็มีอกลัวเขาไปทําร้ายคนดีมาห้อมมาล้อมเพราะเนื้อมันหอมอืม เป็นคนชวนรักชวนน่าเคารพน่านับถือใครไปอยู่ใกล้กับมันก็ว่าได้สริริได้มงคลมันเป็นอย่างนั่นนะคนดีไม่รู้ว่าคนที่คนที่เห็นเนี่ยมันเกิดความรู้สึกในใจมีความรักมีความเอ็นดูมีความเคารพมีความเลื่อมใสมันมีความดึงดูดเป็นตัวสริริเป็นตัวมงคลไม่รู้มันเป็นน้ำหนักของบุญมันเป็น มันเปลี่ยนอยู่ในนั่นแหละอ๋อแค่นี้แหละการคานวณต่อไปครับจ <c oughs> ารเรีถามท่านพอาจารย์ขณะนั่งสมาธิรู้สึกสงบแล้วสัมัะก็รู้สึกปวดขาและก้งปวดขามากขึ้นเหมือนจะทนไม่ไหวก็เลยกลําหนดโทรสัมัะก็เริ่มรู้สึกอยากจะอาเจียนเลยออกจากสมาธิอยากทราบว่าอาการนี้เกิดเพราะอะไรและผลปัจจัยอะไร ก็ร่างกายมันไม่ปกติร่างกายมันไม่ปกติมันเป็นยังไงก็รู้รู้อย่างนั้นก็มันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันปวดเพราะอะไรก็เพราะเลือดลงของเรามันเดินไม่สะดวกท่านจริงว่าอิริยาบถการผัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเดินบ้างไงอิริยาบถเองมันมันปิดบังทุก เราไม่ค่อยจะเห็นเห็นทุกข์เพราะอิรียบถเนี่ยมันบงังเช่นอย่างเรานั่งเงี้ย น, นั่งสัหน่อยหนึ่งเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็เริ่มปวดเพราะเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันปวดเราก็ว่าเจ็บว่าปวดแต่ตัวนี้ภาษาธรรมมาทเรียกว่าเวทนาทุกขเขาเวทนาสาเหตุมันมาจากอะไรก็มาจากเลือดลมของเรามันเดินไม่สะดวกมันก็ปวดเลือดลมในกายของเราเนี่ยมันทํางานตลอดนะ่ะ มันสูบฉีดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหมดไปทั้งตัวเนี่ยร่างกายของเราเราอยากคิดว่ามันจะหยุดนิ่งนะเหมือนโรงงานโรงหนึ่งนะทำงานทั้งวันทั้งคืนตัวแม่งานหัวใจปัม๊มไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนมีส่วนไหนที่มันจะหยุดได้ไหในสมองเราเนี่ยถ้าเผื่อมันไม่มีออกซิเจนมันไม่มีเลือดไม่มีอะไรไปหล่อเลี้ยงแม้แต่ช่วงขณะเดียวเท่านั้นแหละโอ้มันสมองตายกัเอามาพึกเอามาพาคตืมเลยท่นี้ มันไปหล่อไปเลี้ยงกันได้อย่างทั่วถึงเป็นโรงงานที่โอ้ทํางานไม่เคยหยุดหย่อนทํางานไม่เคยหยุดย่อนมันเก็บมันบางทีมันไปขัดนุ่นมันไปปวดนี่ก็ความไม่สะดุกสบายของกายของเรานี่แหละดูให้ดีแต่ถ้ากเราจะจะต่อสู้เราก็ย้อนไปดูที่เวทนาความเจ็บความปวดก็ถามมาที่อะไรเจ็บอะไรปวดอะไรเจ็บอะไรปวด ดูไปทอาการที่ว่ามันร้อนรอนมันร้อนเป็นยังไงมันเจ็บมันเป็นยังไงเอาผู้รู้งเราจิ้มไปอยู่ตรงนั้นคืออะไรเป็นอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าพิจารณาคลี่คลายเพื่อต้องการทราบความเป็นจริงของมันเขาเรียกว่าพิจารณาเวทนาที่สําคัญก็คือไม่ให้มีมีว่าอาการอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ตามไม่ให้มีคำ ว, ว่าเราโอ้เราเจ็บโอ้เราปวด ถ้าให้มีก็แสดงว่าเราเผลอแล้วมันสัญญาอุปาทานวันพายึดแล้วยึดว่าเราเจ็บยึดว่าเราปวดเสร็จแล้วมันจะทนไม่ได้แล้วแหะแต่ถ้าเราดูเราสัจธว่าดูใช้สติตัวพารู้สัจธว่ารู้รู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดแต่ไม่มีไม่มีคําว่ากายปวดไม่มีคําว่าเวทนาปวดไม่มีคําว่าเราปวดความปวดเรานั่นก็สัวธรรมเป็นกิริยา ถ้าหาผู้รู้ยังดูยังดูอยู่ว่าเจ็บ ว, ว่าปวดผู้รู้ก็สัพ่วรู้รู้ว่าความปวดมีแต่ไม่มีเราปวดแล้วก็ไม่มีเรารู้ไม่มีเราเข้าไปรู้อาศัยว่าสภาวะผู้รู้คือสภาวะธรรมอันหนึ่งความเป็นอันหนึ่งก็เหมือนท่านให้แยกแยะถึงละเอียดถึงขนาดนี้น ะ, ะเพื่อที่จะไปไปสับเพื่อที่จะไปสับเพื่อที่จะไปซ อ, อย เพื่อที่จะไปชำแหละเอาตัวอุปาทานที่มันจะคอยไปแทรกอยู่นั้นะเพื่อไม่ให้มันมีที่อยู่ไม่ให้มันมีที่อยู่่่ไมมมให้ันีีทแทรกอยู่ในนั้นสับสับสับไม่มีที่อยู่ไปแยกแยกจนหมดจนไม่มีอะไรแล้ะคําว่าเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นตัวเป็นตนไม่มีแล้วเราหันไปอย่างนี้เราไปต่อสู้อย่างนี้มันได้ประโยชน์แต่ถ้ารับรองให้ตันหามันครอบงําแล้วโอ้ยเราปวดเหลือเกินเราจะไอเจียนติเกียริศีษะเอาเราไปใส่ มันก็อยู่ไม่ได้แล้วมันต้องคลิกต้องเปลี่ยนอาการจะไอเจียนมันก็คือเวทนาอย่างหนึ่งะจะอ้วกจะไอเจียนมันก็แค่เวทนาอย่างหนึ่งที่มันแสดงปรากฏปรากฏที่กายส่วนไหนส่วนท้องส่วนหัวส่วนวินส่วนอะไรก็ดูไปสิดูให้เห็นอาการแต่ละอย่างทุกอย่างนีถ้าเราจะต่อสู้นะเราจะต้องย้อนไปต่อสู้อย่างนี้แต่ต้องใช้สติกําหนดจดจอนะ กำลังจดจ่ออย่างทียิบถ้าสติเรายืดยืดสติเรายันญานสติเราขัดขาดที่ติดขาดขาดที่ดขาดขาดมันสู้มันไม่ได้ดอกตัณหามันเร็วกว่ามันแรงกว่ามันละเอียดกว่าแกท๊บมันเกาะแล้วแทกปปักมันเกาะแล้วตัณหามันฉลาดกว่าเราคือปัญญาที่เป็นธรรมะปัญญาที่เป็นชอบน่ยสัมมาปัญญามันไม่เกิดขึ้น มันมีแต่มิจฉาปัญญาซึ่งเป็นปัญญาของกิเลสมันก็ามาจับจองแทนเราจึงไม่ทันมันเราฝึกเพื่อให้รู้ให้ทันพยายามฝึกให้รู้ให้ทันตั้งแต่เราเป็นอยู่อย่างนี้ไปจนใกล้จะตายใกล้จะตายก็ไม่ต้องกลัวแหละเพราะ ร, ารู้ว่าตายไม่มีอะไรตายเมื่อามันหยุดเรามันหยุ ด, ยดคือหยุดผู้ที่รู้อยู่คือจิตรู้อยู่เนี่ยท่านให้พิจารณาอย่างนี้ มันได้ประโยชน์ไม่ต้องไปวิตกกังวลข้างหน้าข้างหลังกลัวเป็นกลัวตายยิ่งวิตกกังวลเท่าไหร่ยิ่งทุกข์โอ้พ่อเราจะอยู่ยังไงแม่เราจะอยู่ยังไงเมียเราลูกเราจะอยู่อยู่ยัยงไงไนึกถึงคนนั้นคนนี้นึกถึงงานการนั้นๆเรายังค้างายังคาอยู่ทุกวิตกกังวลไปหมดจิตไม่สงบจิตไม่ผอ่อนใสจิตขุ่นมัวจิตอาจจะไปไม่ดีเอาแต่อไปอีก สังขคำถามนะครับคำถามที่1เวลาทำสมาธิจิตไม่ค่อยจดจ่ออยู่กับรูโทัและลมหายใจพอเริ่มทำสัประเดรยวมันจะมีดิวร์หรือใบฟุ้งคิดกราบขอคำแนะนำจากท่าน่นอาจารย์ให้มีจิตก่อนกับรู้ทัได้หรอเดินอย่างไรกรับก็ทำความรู้สึกตัวให้แน่นหนามันคงเข้าไปสิเราไปทำหลวมๆทำไม่จริงจังเอา วิริยะเอาสอาหะเอาความอดความทนเอาความกําหนดจดจ่อต่อเนื่องตลอดตั้งใจให้เต็มร้อยให้เกินร้อยอย่าไปตั้งใจหลวมลวม้มละลัลลม้ลมล้มด้วยเหตุที่เราตั้งอกตั้งใจจริงอย่างนี้บางคนถึงถึงเป็นคนจริงจังบางคนนี่จริงจังมากทําอะไรผิดเป้าประสงค์แก๊กเดียวนี่ไม่ยอมเพราะมันความจริงในหัวใจของเขาเนี่ย แม้แต่แค่เรามาตั้งอารมณ์พุทโธพุทโธพุทโธความสงความระไวระวังไม่ดีความสังวรสัมรวมระวังไม่พอสติกําหนดจดจ่อต่อเนื่องให้มรู้พื้ไปมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องคือกําลังของมันมันน้อยบางทีมันลางลางมันจางจางมันไม่ชัด ถ้าเปลือสว่างก็สว่างมัวมัวมันไม่ชัดเจนอะไรนี่ทีนี้ไอตัวที่มันมืดทมืดมืดทึบมันก็แทรกเข้ามาตรงที่มืดมืดมัวมัวนั่นแหละเพราะเราไม่เห็นอารมณ์ของตัวเองชัดหมายความว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันไม่ชัดอารมณ์ในปัจจุบันหนึ่งเดียวหนึ่งมันไม่ชัดมันทํำท่าจะแทรกมาสองอารมณ์สามอารมณ์มันแทรกเข้ามานะมันแทรกเข้ามาได้นะโดยเหตุที่มันแทรกเข้ามาเนี่ยจิตของเราถึงไม่อยู่ มันไม่ได้หนักแน่นอยู่กับอารมณ์เดียวมันไม่ได้สว่างโร่อยู่กับอารมณ์เดียวตราบใดที่เขารู้สึกตื่นโร่อยู่ตื่นเบิกบานอยู่รู้อยู่ตื่นอยู่โร่อยู่อย่างเดียวเหมือนกับตาเราสว่างสว่างนั่นเปิดล่องอะไรจะผานมาจเห็นหมดพายในจิตของเราก็เช่นเดียวกันสติปัญญาข อ, ของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะเทียบกับความสว่างถ้ามันจางๆมัวๆมันมองอะไรไม่เห็นชัด มีอนุเสกขมานี่เสกขมาแล้วก็ไม่เห็นเพราะมันมัวมัวแต่ถ้าหากมันสว่างมันเด่นมันชัดมันที่มันจะเด่นมันจะชัดได้มันก็จะต้องนิ่งมันก็จะต้องรวมพลังอยู่ในนั้นให้เราตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจไม่ได้ดอกการตั้งใจเป็นการสั่งสมเป็นการอบรมบารมีเนี่ยเราสร้างได้เราเสริมได้เราเพิ่มได้ อิ sea, นทรียเนี่ยเราทําให้แก่กล้าขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ไม่ทำให้แก่กล้าอยู่เฉยๆให้มันแก่กล้าขึ้นมามันไม่แก่กล้ามันไม่เพิ่มเหมือนผลรายได้ที่เราจะพึงแสวงหารเราไม่เพิ่มเพิ่มผลรายได้มันจะมีอะไรมาเพิ่มบางทีมีแต่หมดไปหมดไปไม่เท่าเดิมนี่แทนที่มันจะขึ้นมาเท่าเดิมมันไม่เท่าเดิมมันน้อยกว่าเดิมี้คือการไม่เพิ่มการที่เรามากทํามากกว่าเดิมวันนี้ทําได้หนึ่ง พรุ่งนี้ทําได้สองพรุ่งนี้ทําได้สามเนี่ยถือว่าเพิ่มอันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณสมบัติของใจของเราก็เช่นเดียวกันโอกาสที่จะทําให้ใจของเราได้รับความสง บ, บนี่ก็เช่นเดียวกันสังสมเอาไว้อกรมเอาไว้ไปทําตอนเวลาใกล้จะตายมันไม่ทันดอกไม่ทันมันชินชายอย่างนั้นมันก็ไปอย่างนั้นพอถึงตอนนั้นก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วจะเอาอะไรละ่ะ จะอาความเด็ดเดี่ยวจริงจังอะไรไม่มีไม่ทันลอยตามเงตามตัวปลอยไปเลยปลอยเนื้อปลอยตัวแหละเหมือนลูกตาท่านว่านะ่ยบางคนปล่อยตกหมอนนั่นน่ะนะตกเตียงะนะั่นเลยดินจนตกเตียงเอยียงไปลุยเนี่ยมันไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นท่านท่านจึงให้ฝึกผู้ที่มีสติมีสัมผชัญญะมีสมาธิจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะแนบแน่นจะมั่นคงจะสว่างโรคไม่ต้องกลัว อยู่ก็เย็นเป็นสุขไปก็สุ ข, ส, ขสุขโตสุขติไปก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะไอ้สิ่งมันมืดมืดมันไม่เข้ า, าอายุใหญ่มันก่อควาใจของเร า, เ อ, าอีกจบหมดเวลาก่อนแล้วคของการครับการรู้จิต ก, กับการดูเงาของจิตต่างกันอย่างไรครับผู้รู้กั บ, ผ, กกบผู้รู้ที่แท้จริตต่างกันไหมครับผู้รู้ที่แท้จริตต้องเห็นใจรัใช่หรือไม่ครับ <laughs> เออแบบนี้มันต้องทำต่อปากปากต่อปากกันเ mm hmm. งาคืออะไรผู้รู้คืออะไรเงาคืออะไรมรรจของพูดถูกหรือเปล่าอะไรคือเงาอะไรคือผู้รู้เ mm hmm. งาของจิตเราก็เห็นได้ว่าอาการของจิตเงาของจิตก็คืออาการของจิตนั่นแหละ เงาของกิเลส ก, ก็คือกิริย า, าการของกิเลสนั่นแหละเงาของตัวของสติปัญญาก็คือเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ อ, อันนี้แล้วแต่เราจะคิดไปจะว่าอะไรคือเงาเงาหรืออาการอาการมันยังบ่งบอกชัดเข้าไปอีกเช่นอย่างเวทนาเนี่ยถือว่าเป็นอาการอาการที่ใจมันเข้าไปรู้อาการห้องใจมันเกิดจากใจสัญญานี้เป็นอาการของใจสังขาร ใจปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็ปรุ ง, งกลางๆเนี่ยถือว่าเป็นอาการของจิตวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นกิริยาของผู้รู้เราจะว่ากิริยาก็ได้เราจะว่าอาการก็ได้หรือเราจะว่าเราจะว่าเงาของผู้รู้ก็ได้เพราะคําพูดเหล่านี้มันเป็นคําสมมุติทั้งนั้นแต่เราจะเห็นตัวจริงเราต้องดูที่อาการที่แท้ของมันที่ใจของเราเ น, นั่นคือเราสามารถจะจับตัวจริงได้ ถ้าหากเรายังจะไม่ใช้คำพูดแบบนี้เหมือนเขาเรียกชื่อเหมือนอย่างนายกพิธรมเรียกเต็มไปหมดบางทีเราก็เรียกถูกเราก็เรียกผิดบางทีในชื่อเหล่านั้นมันขัดแย้งกันเองอีกตั้งหากอี้เพราะฉะนั้นเรามาดูของจริงอ่ะจึงเป็นเรื่องที่สุดกสบายมันก็มันเป็นการทำที่รัดที่สุดมันค ำ, คำถามมันเป็นสิบสิบท่อนมันจำไม่ได้ดอก ผู้รู้กับผู้รู้ที่แท้จริงต่างกันไปครับอ่าวผู้รู้อีกมีผู้รู้ที่แท้จริงผู้รู้โรคขนาดไหนผู้รู้ที่แท้จริงคืออะไรก็ว่ากันไปก็คือคําสมมุติอีกงั่นแหะรู้รู้กรู้อีกคือยังไม่แท้จริงคือรู้อะไรอีกอมันพูดได้หลายแง่หลายเงื่อนรู้ยังไม่รู้ไม่แท้จริงก็คือรู้รู้เทียมเทียมรู้ปลอมปออย่างงั้นเหรอ รู้แบบกิเลสอวิชชามันพราดมันปิดมันบังอย่างนั้นเลยรู้ที่แท้จริงก็คือรู้รู้ที่เป็นสัมมาปัญญาที่มีปัญญารูอยู่อย่างนั้นหรือคำเหล่านี้เราไม่รู้จะว่ายัางไงถ้าเราพูดได้พูดต่อหน้ากันเราก็จะได้ย้ํากันว่าอะไรคืออะไรจะของสร้างประเด็นประเด็นแบบนี้เราสร้างมาในใจของเรา ล้วก็ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปเป็นการซักซ้อมเพื่อเกิดปัญญาเราถามเราถามแบบนี้เราก็งงมันมันเป็นการถ้าจะว่าไปแล้วมันเล่นคำเกินไปอา้าว ม, มีคำถามต่อเนื่องของอันนี้คําก็คือว่าผู้รู้ที่แค้จริ ง, ต, ง, ง ต, ต้องเห็นใจรักใช่หรือไม่ต้องเห็นเลยต้องเห็นเรื่องอะไรนะใจรักต้องเห็นใจรัก ผู้รู้ที่แท้จริงต้องเห็นไตรลักษ์ผู้รู้ที่แท้จริงต้องเห็นไตรลักษ์ผู้รู้ที่แท้จริงต้องเห็นไตรลักษ์ผู้รู้ที่ไม่แท้จริงไม่เห็นไตรลักษ์อยงนั้นแหละอก็ได้คําพูดเหล่านี้เราพูดตามภาษาสมมุติเท่านั้นเราพูดถึงปัญญา ปัญญาที่แท้จริงก็คือปัญญาเห็นสัจธรรมขั้นลึกละเอียดคือไตรลักษณ์ซึ่งเป็นกิริยาอาการของสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นรูปสังขารที่เป็นนามสังขารเห็นกิริยาอาการของมันไม่เที่ยงไม่คงทนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ในการต้องการของใครบังคับบัญชาของใครนี่คือปัญญาปัญญาเห็นไตรลักษณ์ปัญญาเห็นชอบ ฟังแต่ว่าปัญญาเพื่อ น, นธรรมด า, ญญ า, มดากับปัญญาญาณที่มันไปนตัดสินใจเพื่อเกิดความเข้าใจชัดเจนแม่นยาว่าอันนี้แหละคือตัวนี้แหละเป็นร้อยอันนี้แหละร้อยอเอันนี้แหละร้อยเเแล้วก็เหมือนกับตัดราตัดเงาตัดโคตรตัดแท้ ม, มันเป็นการปรับจิตดองให้ตื่นร่ขึ้นมาอีกอยู่ในฐานะอีกอันหนึ่ง mm hmm. ก็เหมือนยังพระอริยเจ้าท่านก็ตายจากความเป็นปุถุชนเราจะใช้มันเป็นภาษาสมมติท่านั้นตายจากปุถุชนมาเป็นอริยชนมันก็อาศัยความรู้เหล่านี้มาสว่างร่ำเี่นชัดแล้วก็เป็นการตัดสินใจน้องตาท่านว่าขณะจิตขณะจิตขณะจิตบอก ภาษาในหลักนั้นเขาเรียกว่าญาณญาณทัศนนะ์ความรู้ความเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นอ น, นี้ทั้งรู้ทั้งเห็นนห้เรายังไม่เกิดกับเราเรามาเทียบกับอะไรเรามาเทียบกับสติวัญญาที่ชัดเจนในหัวใจของเราเรารู้ไหมเราเห็นไหมเรารู้ไหมเราเห็นไหมกิเลสมันยังไม่หมดแต่เรารู้ขั้นนี้เราเห็นขั้นนี้เราก็เทียบเคียงได้ แต่รู้เห็นขั้นเด็ดขาดนั้นจนหมดความสงสัยไม่ต้องมีใครบอกไม่แต่ไปใต้ถุนพระคันธโกดีว่าจะถามพุทธเจ้าพอถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องถามแล้วมันตัดสินใจปึ้งเดียวเต็มน้อยกลับกติเฉยเลยไม่ต้องไปถามแล้วสงสัยอยู่ในขั้นสุดท้ายนี่แหละมันจะไปถามพุทธเจ้าฝนตก ผลตอบขึ้นทุนกลับทุนที่ประกันทุกคนดียังไม่ได้ประโยชน์ในชนก็ดีหยดน้ําฝนน้ําฝนจากปลายหลังคามากระทบกับน้ำข้างล่างกระทบเป็นต่อมแล้วก็แต่กระทบเป็นต่อมแล้วก็แต่ดูที่ต่อมดูที่กิริยาข้างนอกแล้วมาเทียบที่ข้างในดูที่ข้างในแล้วก็เทียบไปข้างนอกนี่เทียบไปเทียบมาเทียบมาเทียบไปเข้าใจ เขาใจปัญหาตรงนี้แสดงว่ามันตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเป็นขณะคิดขึ้นมาขณะเดียวตัดสินเด็ดขาดแล้วหมดสงสัยแล้วไม่ต้องขึ้นไปถามแล้วเดินคลับกดฏิเฉยเลยแน่ใช่ไหมจะต้องมีมีใครไปบอกเอาละกับข้อสุดท้ายครับโอ้ออกจนหมดเวลาเลยเนาะอโอกาสครับการไปถามท่านพระอาจารย์ว่า ทุกในอริยสัจสี่กับทุกในไตรลักษณ์เหมือนกันหรือต่างกันหรือไม่อย่างไรแล้วก็คําถามสุดท้ายของใบนี้คือธรรมะคืออะไร oh, oh, oh, oh. ทุกในอริยสัจสี่กับทุกในไตรลักษณ์ก็ตัวทุกในในอริยสัจสี่นั่นแหละในตัวทุกเหล่านั้นนะมันมีไตรลักษณ์คือคําพูดในปัญหามันแย้งกันในตัว คำพูดน่ยมันแย่งกันในตัวทุกในไตรลักษณ์กับทุกในอริยสัจสี่ทุกในอริยสัจสี่ก็คือทุกอะไรทุกของขันห้าของเราเนี่ยแหละทุกในปัญจขันทุกของกายกายทุกอะไรบ้างเราก็ดูไปทีเวทนาเป็นตัวทุกขทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเป็นทุกโดยเป็นอนิจจังด้วยเป็นทั้งทุกขังเป็นทั้งอนิจจัง ใครไปเห็นทุกขงังใครไปเห็นอันนี้อยางก็เรียกชื่อใหม่อีกว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์มันก็อันเดียวกันอันเดียวกันหรือไม่อันเดียวกันคือคำถามมันมันมันชวนให้คนฟังคนอื่นฟังไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจฟังให้สับสนไปด้วยแต่เราฟังนราฟังออกแล้วเราตอบแค่นี้เข้าใจไหมทุกในไตรลักษณ์ทุกในรัชสี ก็ทุกในอริยสัจสนั่นแหละทุกของปัญจฉันขัความทุกเหล่านั้นแหล ะ, ะตัวภาวะของความทุกขนั่นแหละนั่นแหละคือลักษณะของไตรลักษณ์ทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วก็ใครไประกาเกณฑ์ให้เป็นอื่นไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเป็นอนิจจ์เป็นทุกขังเป็นอนัตตาอนิจจ์ทุกขังอนัตตานั่นแหละชื่อของมันจะเรียกว่าไตรลักษณ์ลักษณะสาม หรือเรเรียกอย่างหนึ่งว่าสามัญญลักษณะนี่สามัญญลักษณะลักษณะของสังขารทั้งหลายทั้งปวงจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนั้นไม่มีไม่มีแตกต่างกันลักษณะใดก็ตามไม่มีอะไรแตกต่างกันแม้รูปธรรมแม่นามธรรมาไม่มีอะไรแตกต่างกันธรรมะคืออะไรธรรมะผู้เข้าเข้าไปถึงธรรมผู้เข้าเข้าไปเห็นธรรมแล้วเราจะเข้าใจ ภาวะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ตามสภาพของมันมันเป็นตามสภาพของมันเช่นดินเป็นดินลมเป็นลมน้ำเป็นน้ำไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศเนี่ยสว่างเป็นสว่างมืดเป็นมืดภาวะเที่ยนแท้แต่ละอย่างแต่ละอย่างของมันเท่าที่มันเป็นตามหลักธรรมชาติอันนั้นอันนั้นแหละท่านเรียก ว, ว่าทานเลือกทำรำแต่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเองไหม ไม่เกิดขึ้นเองมีเหตุมีปัจจัยเป็นขึ้นมาเองไหมไม่เป็นขึ้นมาเองเป็นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยเกิดขึ้นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยตั้งอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยดับไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยนี่แหละคือผููตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วเข้าไปรู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นว่าโอ้สิ่งนี้เป็นอยู่อย่างนี้สิ่งนี้เป็นอยู่อย่างนี้มอบคืนให้มันทั้งหมดเช่นอย่างมาเห็นร่างกายให้เราเป็นไม่เที่ยงเนี่ยอ๋นี่คือธรรมชาติของมันมันไม่เที่ยงยอมรับ เป็นทุกเปลี่ยนไปยอมรับไม่ไปดัดแปลงให้มันเป็นอื่นไปได้เพราะดัดแปลงไม่ได้ไม่พยายามที่จะดัดแปลงเนี่ยเข้าใจเรื่องอนิี้อยางทุกครั้งอนัตตาเข้าไปรู้จักหลักธรรมชาติเหล่านี้อย่างนี้ท่านเรียกว่ารู้จักภาวะของธรรมมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอื่นเป็นอยู่ตามภาวะที่มันเป็นมันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่เาเรียกว่าตามเป็นจริงตามเป็นจริง ตามเป็นจริงอันนี้เราพยายามใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเนึกคิดเราจะรู้เราจะเข้าใจบางทีมันอยู่นอกเหนือคําสมมุติคําเรียกชื่อคําอะไรทอะไรทั้งนั้นมันอยู่นอกเหนือคําสมมติมคือภาวะโอ้ภาวะมันมีอยู่เป็นมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เช่นอย่างไฟเนี่ยเรารู้จักแต่ไฟว่าคือความร้อน เราเรื่อโอ้ความร้อนเขาเรียกไฟความร้อนเขาเขาเรียกไฟแต่ภาวะแท้ๆของความร้อนนั่นแหละภาวะอันนั้นน่ะคือภาวะที่แท้ของมันคือภาวะของความเป็นไฟเราโอ้ไฟร้อนไฟร้อนไฟร้อ น, อนก็ความร้อนนั่นแหละคือภาวะของมันอ <ห 're. S 1> อะไรมีอยู่ยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าแท้ที่จริงของมันคืออันนั้นเป็นอันนั้นที่เรามีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเอง ท่านพธท่าท่าท่านชอบเอามาใช้เป็นเช่นนั้นเองตะทัดตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละมันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ลือคือหลักของธรรมชาติหพยายามนึกพยายามคิดมันเป็นตัวธรรมะมันไม่ใช่ตัวสมมติถ้าเป็นตัวสมมุติเช่นอย่างอะไรอะ Plate, Watching, ja envie, Bunny, matter, Era, เช่นอย่างเรียกชื่อภาษาจีนก็เรียกชื่อไปอย่างหนึ่งไทยเรียกชื่อไปอย่างอังกฤษฝรั่งเรียกชื่อไปแต่ต่างกันคนละอย่างคำอรลาวก็เรียกชื่อไปคนละอย่างคนละอย่างแต่ภาวะที่มันเป็นของมันมันเป็นอยู่อย่างนั้นเองใครจะเรียกอะไรมันก็เป็นอยู่อย่างงั้นใครจะเรียกอะไรมันก็เป็นอยู่อย่างงั้นเป็นอะไรเป็นดินอเงี้ยไทยก็เรียกดินลาวก็เรียกอะไรฝรั่งก็เรียกอะไรเรียกชื่อมันเรียกอะไร ใครจะเรียกอะไรก็ตามแต่แต่สภาวะที่แท้จริงของมันก็คือคืออันนั้นแหละอันนั้นคืออะไรคืออันนั้นแหละเราเข้าไปถึงคำว่าอันนั้นแหละเนี่ยมันเลยสมมุติไปแล้วคือเมื่ออย่างคนเราเนี่ยดูให้เห็นภาวะสัจธว่าสัจธว่ามันมีมันเป็ น, เ, นเลยคำว่าคนไปแล้วไม่มีคำว่าคนเลยคำว่าคนไปแล้วเข้าอย่างลึก เขาไปให้ให้เลยหลักธรรมชาติไปความกล้าไม่มีความกลัวมไม่มีแม้<ไป>แต่มองดูอสุภเะเน่าเฟะอยู่เฉพาะหน้านี่โดยปกติคนธรรมดาจะ ม, มองดูแล้วสะอิดะเอียนหน้าเกลียดอ่าไม่อยากกล้ามองไม่อยากกล้าดูแต่สำหรับบุคคลที่เข้าถึงหลักธรรมชาติแล้วมองได้สบายอ๋อกลิ่นเนาะกลิ่นฉุนรุนแรงอ๋อกลิ่นกลิ่นก็มันก็เป็นธรรมชาติอันนึง่งความเนา่าเน่าเฟะ มันก็เป็นหลักธรรมชาติหนึ่งน้ำเหลืองน้ำเขียวมันเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งนอนเจาะยัวเยืยยุบยับหนั้นะโอ้มันก็เป็นธรรมชาติของมันแต่ละอันแต่ละอันมันไม่น่ากเกลียดมันไม่น่าเสียเอียนคืออย่างความรู้นึกเข้าไปรู้เลยนะลองพยายามหัดอย่างลองดูพยายามหัดอย่างลองดูมันจะเลยคําสมมุติไปนะพิจา ร, รณาหลักธรรมจนเลยคำว่าสมมุติไปถึงจะเข้าไปเข้าไปถึงธรรมได้อื พระยาเจ้าทั้งหลายท่านพัานสมมติท่านเลยสมมุติไปหมดท่านเข้าไปอยู่กับหลักธรรมชาติทั่วๆไปยอมรับหมดอะไรเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติยอมรับหมดอ๋อ âm, ยอมรับว่า อ, อ, อันนั้นมีอยู่นั้นเป็นอย่อยางนั้นอันนั้นมีอยู่นั่นไม่พยายามไปกักเกณฑ์ว่าอันนั้นให้เป็นอันนี้อันนี้ให้เป็นอันนั้นไม่พยายามกักเกณฑ์อย่างนั้นโอ้ทําไมาร้อนเหลือเกินเนา <fight>. ะทำไมลมแรงเหลือเกินโอ้ทำไมฝนตกน้ําท่วมเหลือเกินเอาก็มันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นทําใจให้รู้เท่า แล้วเราไม่ต้องไปกะไปเกี่ยนอะไรนี่หือคือเข้าใจละอันนี้องทุกข์ขันอนัตตาธรรมะมันพันกันไปหมดนั่นแหละเราพูดไปก็พันอยู่อย่างนี้เลยไม่จบแต่เลยเวลาไปแล้วอ่ า, อาชิตตังเมเข้าไปอีกแล้วชิตังเมเข้าไปอีกแล้วอ่าวันนี้หลวงพ่อก็คิดว่าจะหมดเวลาแล้วก็ลาพวกเรา อตอนนี้ขณะ น, นี้เพราะเรายังจะต้องเดินทางต่อไปอีกที่เหลือไปจนถึงบ่ายสามบ่ายสี่ก็บม่อให้ท่านถากับท่านพ่อพนก็แล้วกันแหละสับเปลี่ยนกันมาเล่านิทานให้ฟังก็แล้วกันแหละนะ <c oughs> พวกเราสาต์ตั้งอกตั้งใจมาเข้าคอทมาอบรมด้วยการตั้งอกตั้งใจด้วยเรี่ยวแรงอย่างที่พูดพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกนั่นแหละ เป้าประสงค์ที่เราจะควรได้คืออะไรบ้างตอนนี้เราประสบผลสําเร็จมาคืออะไรบ้างได้อะไรบ้างเราได้ความกดความทนไหมเราได้สัจจ์ที่เราตั้งเอาไว้ดีไหมเราได้ความสงบได้รับความสุขได้รับความอิ่มเอิบได้รับความกระยิ่มยิ้มย่องในหัวใจไหมสติเราเพิ่มดีขึ้นไหมปัญญาเราเพิ่มดีขึ้นไหม มันเกิดความรู้สึกเบาสบายปลอดโปร่งโล่งทไม่หนักไม่หน่วง ก, กับชีวิตจิตใจอีกแล้วนี่คือเราได้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเป้าประสงค์ทั้งหมดนี้เราควรจะได้อะไรมันผ่านการประพฤติผ่านกานรปฏิบัติของเราเท่านั้นก็นังที่เคยพูดตลอดมานั่นแหละเราจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องอดเราจะต้องทนและเราจะต้องเพียรแล้วเราจะต้องเดินให้ถูกทาง แล้วก็พยายามทำจนได้ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่เราเดินตามทางนั้นเพื่อที่จะไปให้ถึงอันนี้คือเป้าประสงค์ที่เราควรจะได้ขอให้ที่พกเราตั้งอกตั้งใจนี้มีอะไรติดเนื้อติดตัวก็เอาไปถือเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติถือว่าเป็นอนุศรชีวิตที่เราได้มาตั้งอกตั้งใจแมอุตส่าห์ไม่พูดไม่คุยตั้งตั้งอกตั้งใจ จดอรู้สึกว่าชีวิตนี้รู้สึกว่าคราวนี้รู้สึกแปลกมากเลยมองเห็นกันไม่มีใครเหมือนไม่มีใครรู้จักใครสักคนหนึ่งเลยอ่าเพราะเราอธิษฐานปิดวาา่ายใจปิดวาา่ายใจแต่ใจไม่ปิดแต่การที่เรามาตั้งใจปฏิบัติธรรมนี้หมายความว่าเราพยายามปิดใจไม่ให้นึกคิดอย่างอื่นด้วยให้นึกคิดอยู่แต่กับเรื่องธรรมให้นึกคิดอยู่แต่กับเรื่องพุโทโธ ปิดวาจาด้วยปิดใจจากการนึกคิดฟุ้งซ่านด้วยปิดใจจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยอแล้วเราทําได้อยู่เราทําได้อยู่อย่างนี้เราถือครั้งนี้เป็นอนุสอนใครเคยพูดมากพูดวายกับครอบครัวก็ต้องไปชิญมาระวังคําว่าครอบครัวไม่ใช่กับพ่อกับแม่เท่านั้นบางคนอยู่กับพ่อกับแม่แค่พูดทะเลาะกับพ่อกับแม่อยู่งนั่นแหละปิดวาจาบ้างคนที่มีวาจา ฟังมากพิจารณามากคิดมากเป็นคนน่ารักเป็นคนหนักแน่นเป็นคนมั่นคงเป็นคนมีหลักเป็นคนน่าเคารพเป็นคนน่าเชื่อถืออ่เป็นคนงามในสายตาของประราชของบัณฑิตให้พวกเราเรู้จักรักถนอมเคารพแล้วก็อยากได้อย่างนีสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของเราเองด้วยหลวงพ่อจึงโวยวายให้ผู้คนให้พวกเรา ประสบผลสำเร็จด้วยการทุกท่านทุกคนเธอ菩萨ทุกองค์การวยทีทำโดยทุกการทุกเราพร้อมจิตนะคบอืม อ, อืมร อ, อืมอืมเดียวเดี๋ยวให้คนก่อนเาตั้งใจรับผลนะรัลผลเมื่อกี้ก็มวยกับ สลีนาก็ไปถวายเช็คสองใบใบละหมื่นอ่าอันนี้ก็คือเห็นหน้าที่ไรก็ต้องหมดเช็คเห็นหน้าทีไรก็ต้องหมดเช็คมั น, นก็เป็นเรี่ยวแรงของไข่ของเราพวกเราก็ได้อยู่ใน้ฟังก็อนุมัติทำาด้วยกันแม้แต่นี่ของในนี้ทั้งหมดหนึง่งที่ทางมูลทิจัดทำเนี่ยมูลทิดวงแก้วในพระสังฆารายชูวัธรรมนี่ ดี้ติดตราอยู่กับในนี้พราะเราก็น้มบูชาด้วยกันอย่างน้อยพวกเราก็เป็ น, mm hmm. เ, ปนเป็นหนึ่งเดียวในการจัดอบรมทั้งนี้เราก็เป็นคนมาให้ความรู้ใครได้ยินได้ฟังอะไรที่ทําให้เกิดประโยชน์ mm hmm. มีข้อติจริงมีข้ออะไรบ้างแต่เราไม่มีโอกาสพูดคุยกันต่อตอนหน้าเวที mm hmm. ก็เลยเป็นอันว่าอา้าวปิดวาจาพิจรารณาใครครวรอะไรเกิดประโยชน์เอาไปใช้กันแล้วกันนะ แตอ่อย่าไปหานนึกดาห ล, ลวงพ่ อ, อ, อทำหลังก็แล้วกันนะเ <c> ก <oughs> ิดโทษ <c oughs> อ้าวยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะมีวะิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฉตุสเพปูเรนตุสังกปา ยันโทปนระโสยะถามณิโโชติระโสยะถาสพิดีโยวิวัชันตุสพโรโควินัสตุมาเตพวัตตวันตรยโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปิจายโนจตารโธธรรมาวันติอายุวโนสุขังพระหลังภวะตุสัพพมังขลังรักขันตุสปเทวตา สัพพุทธานภาเวนะสะทาโสธีพระวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวาตาสัพธรรมานภาวเวนะสะทาโสธีพระวันตุเตภวัตุสัพพมังลังรักขันตุสัพเทวาตาสัพสังขานภาเวนะสะทาโสธีพระวันตุเตจ